กรรมฐานไม่แสวงหาเครื่องรางของขลังมีพระองค์หนึ่งมาว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไปตัดเหล็กไหลที่ถ้ำสะบัวภูเขาควายมันไม่ตรงกับความจริงเลยแม้แต่นิดหนึ่งพระองค์นั้นชื่อพระอาจารย์จันทร์เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นเนนน่นเขาว่าอย่างนั้นทีน เ, เนี้ยเหล็กไหลเนี่ยมันเป็นรับในดินสินในน้ำ ท่านผู้เคร่งต่อธรรมวินัยนี่ท่านจะไปทำได้อย่างไรดรดาราวันได้วงเล็บไว้ว่ามีผู้กราบเรียนว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านปฏิบัติขนาดนี้แล้วท่านคงไม่สแสวงหาเครื่องรางของขลังหรือที่พึ่งภายนอกแล้วใช่หรือไม่หลวงพ่อเมตตาล้อเพิ่มเติมว่าขนาดหลวงพ่อเอาตลับสีพึ่งใส่ย่ามมาหลวงปู่เสายังว่าเอาว่าเอา จนงงอย่างกับไก่ตาแตกโฮ้ยหลวงปู่เนี่ยมาค้นดูย่ามเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตลับสีพึ่งเนี่ยมันมีคนหนึ่งเขาทำให้ตั้งแต่เป็นเนีนอยู่บ้านนี่เขาบอกว่าจะไปเรียนเทศเรียนหนังสือมันเรียนหนังสือดีเขาว่าก็เลยเอามาหลวงปู่สาวท่านดุเอาว่าจะมาภาวนาเอามรรคผลนิพพานแล้วก็ติดตลับสีพึ่งใส่ ย, ย่ามมาด้วยมันจะไปได้อย่างไร ว่าหลวงปู่เนี่ยมาคนย่ามเราตั้งแต่เมื่อไหรเพราะตื่นเช้ามาก็เอามันติดก้อนอิดเอาปลาลงแม่น้ำมูลไม่มีหอกกรรมฐานเนี่ยเครื่องรางของขลังรูปเหรียญหมูนี่ไม่มี